หนึ่งร้อยหนึ่งพระพุทธเนรมิทูลถามว่าชันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมีมาจากไหนอันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและทาเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วทาเหล่านั้นมีมาจากอะไรว่าด้วยชันทะเป็นต้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ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 มีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าชั้นท่านในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนคำว่าและการตัดสินใจมีมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตรทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งการตัดสินใจว่าการตัดสินใจมีมาจากไหน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 ความโกรธความแค้นความดุร้ายความเกลียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นปานนี้มุสาวาตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จความลังเลตรัสเรียกว่าความสงสัยรวมความว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยคำว่าและทำเหล่าใดในคำว่าและทำเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้ว อธิบายว่าทาเหล่าใดดำเนินไปพร้อมกันคือเกิดพร้อมกันเกี่ยวพ้องกันประกอบกันเกิดคราวเดียวกันดับคราวเดียวกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยทาเหล่านี้ตรัสเรียกว่าทาเหล่าใดอีกในหนึ่งกิเลสเหล่าใดมีชาติเป็นอย่างอื่นตั้งอยู่แล้วโดยอาการอื่น กิเลสเหล่านี้ตรัสเรียกว่าทำเหล่าใดคำว่าพระสมณะตรัสไว้แล้วได้แก่พระสมณะคือผู้มีบาปสงบแล้วเป็นพรามเป็นผู้ลอยบาปทำแล้วเป็นภิกษุผู้ตัดมูลแห่งกิเลสแล้วผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกคืออกุศลมูลทุกอย่างตรัสไว้แล้วคือทรงพูดบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจาแนกทาให้ง่าย ประกาศไว้แล้วรวมความว่าและทำเหล่าใดพระสมณตรัสไว้แล้วด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรเมจึงทูลถามว่าฉันท์ในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมีมาจากไหนอนหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและทำเหล่าใดพระสมณตรัสไว้แล้วทำเหล่านั้นมีมาจากอะไร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 ได้แก่สุขเวทนาและสิ่งที่น่าปรารถนาคำว่าน่าเสียใจได้แก่ทุกเวทนาและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาคำว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดได้แก่พูดถึงสิ่งใดคือกล่าวถึงบอกถึงแสดงถึงชี้แจงถึงสิ่งใดรวมความว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจ คำว่าชันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นอธิบายว่าชันทะย่อมมีมีขึ้นคือเกิดเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความน่าดีใจและน่าเสียใจคืออาศัยสุขและทุกข์โสมนัสและโทมนัสสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาความยินดีและความยินร้ายรวมความว่า ฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นว่าด้วยความเกิดแห่งรูปคำว่าในรูปทั้งหลายในคำว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ความเจริญแห่งรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรคือความเจริญความเกิดความเกิดขึ้นความบังเกิด ความบังเกิดขึ้นความปรากฏแห่งรูปทั้งหลายนิชื่อว่าความเจริญแห่งรูปทั้งหลายความเสื่อมแห่งรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกไปความทำลายไปความเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงความสูญหายไปแห่งรูปทั้งหลายนิชื่อว่าความเสื่อมแห่งรูปทั้งหลายคำว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้ว ได้แก่เห็นแล้วคือแลเห็นแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งความเจริญและความเสื่อมในรูปทั้งหลายรวมความว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วว่าด้วยการตัดสินใจคําว่าชนในโลกย่อมทําการตัดสินใจอธิบายว่า คำว่าการตัดสินใจได้แก่การตัดสินใจสองอย่างคือหนึ่งการตัดสินใจด้วยอำนาจตันหา 2. การตัดสินใจด้วยอำนาทิฏฐิชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจตันหาเป็นอย่างไรคือสำหรับคนบางคนในโลกนี้โชคชะตาที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและโชคชะต์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความหมดสิ้นไปเขามีความคิดอย่างนี้ว่า เพราะอุบายอะไรหนอโพกษัตรย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราจึงไม่เกิดขึ้นและพรกษัตรย์ที่เกิดขึ้นแล้วจึงถึงความสิ้นไปเขาก็มีความคิดต่อไปอย่างนี้ว่าเมื่อเรามัวแต่ดื่มน้ำเมาคือสุราและเนื่ยไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโพกษัตรย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและพรกษัตรย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปเมื่อเรามัวแต่เที่ยวกลางคืน เมื่อเรามัวแต่เที่ยวดูมหรสพเมื่อเรามัวแต่อยู่ในความประมาทด้วยการเล่นการพนันเมื่อเราโวแต่คบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อเราโวแต่เกียคร้านโภพกษัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นโภพกษัพรย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปครั้นรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภพกษัพย์หกประการประพฤติแต่สิ่งที่เป็นทางเจริญแห่งโภพกษัพย์หกประการ ชนย่อมทําการตัดสินใจด้วยอํานาจตันหาเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลย่อมดําเนินชีวิตด้วยเกษตรกรรมพาณิชยกรรมโคร ะ, ะกรรมเลี้ยงปศุสัตว์ศาแห่งการยิงธนูการรับราชการหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งชนย่อมทําการตัดสินใจด้วยอํานาจตันหาเป็นอย่างนี้บ้างชนย่อมทําการตัดสินใจด้วยอํานาจทิฏฐิเป็นอย่างไร คือเมื่อตาเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าตัวของเราเกิดขึ้นแล้วเมื่อตาหายไปก็เข้าใจว่าตัวของเราหายไปแล้วตัวของเราไม่มีเสียแล้วชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอานาจทิฏฐิเป็นอย่างนี้บ้างเมื่อหูจมกกูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อโพธภพเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าตัวของเราเกิดขึ้นแล้ว เมื่อผูฏฐะหายไปก็เข้าใจว่าตัวของเราหายไปแล้วตัวของเราไม่มีเสียแล้วชนย่อมทำคือให้เกิดให้เกิดขึ้นให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นซึ่งการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฐิเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าชนได้แก่สัตว์นรชนม น, มนุษย์คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกในอายตนะโลกรวมความว่า ชนในโลกย่อมทำการตัดสินใจด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเส่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจ พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าทาแม้เหล่านี้เพื่อความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยาณและทาเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ทาเหล่านั้ น, ม น, เ, น, นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มี คำว่าความโกรธในคาว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยได้แก่ใจปองร้ายมุ่งร้ายเห็นป่านนี้มุสาว่าตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จความลังเลตรัสเรียกว่าความสงสัยความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเ mm. พราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้าง มุสาว่าย <bert> ่อมเกิดเพราะอาศัย <san> สิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างว่าด้วยเหตุให้เกิดความโกรธความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือความโกรธย่อมเกิดเพราะสําคัญว่า BE> ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา ความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กำลังทาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรานาเป็นอย่างนี้ความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรานาเป็นอย่างไรคือเมื่อบุคคลหวาดระแวงว่า สิ่งที่น่าปรารถนาจะถูกแย่งชิงไปก็เกิดความโกรธเมื่อสิ่งที่น่าปรารถนากำลังถูกแย่งชิงไปก็เกิดความโกรธเมื่อสิ่งที่น่าปรารถนาถูกแย่งชิงไปแล้วก็เกิดความโกรธเมื่อบุคคลหวาดระแวงว่าสิ่งที่น่าปรารถนาจะแปรผันไปก็เกิดความโกรธเมื่อสิ่งที่น่าปรารถนากำลังแปรผันไปก็เกิดความโกรธเมื่อสิ่งที่น่าปรารถนาแปรผันไปแล้วก็เกิดความโกรธ ความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้ว่าด้วยเหตุนี่เกิดการกล่าวเท็จมูสาว่าย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือขือคาก็พูดเท็จทั้งที่รู้เพื่อให้พ้นจากการจองจำนั้นถูกมัดด้วยเครื่องจองจาคือเชือก ถูกจองจําด้วยเครื่องจองจําคือโซ่ตรวนถูกมัดด้วยเครื่องจองจําคือหวายถูกมัดด้วยเครื่องจองจําคือเถาวันถูกจองจําด้วยเครื่องจองจําคือคุกถูกจองจําด้วยเครื่องจองจําคือการล้อมรั้วถูกจองจําไว้ภายในบ้านนิคมเมืองหรือรัฐหรือถูกจองจําไว้ภายในชนบทก็พูดเท็จทั้งที่รู้เพื่อพ้นจากการจองจํานั้น มูสาวาจย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้มูสาวาจย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรเพื่อคนบางคนในโลกนี้พูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งรูปที่น่าพอใจพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งเสียงกลิ่นรสโพธพะทีะน่าพอใจะะะะะะะะะะะะะะะะะะะระะะะะะะะะะะะะบะะะะะะะะะะะะหะะะะะะะะะ พูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งกีฬาในปัจจัยเพศรรัตวบริขารมุสาวาจย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้ว่าด้วยเหตุที่เกิดความสงสัยความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาด้วยคิดว่าเราจะพ้นจากโรคตาหรือไม่พ้นจากโรคตานอ เราจับคนจากโรคหูจากโรคจมูกจากโรคลิ้นจากโรคกายจากโรคเกี่ยวกับศีสะจากโรคเกี่ยวกับหูจากโรคเกี่ยวกับปากจากโรคเกี่ยวกับฟันหรือไม่พ้นจากโรคเกี่ยวกับฟันนอความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้ความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือความสงสัยย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยคิดว่าเราจะได้รูปที่น่าพอใจหรือไม่ได้รูปที่น่าพอใจหนอเราจะได้เสียงกลิ่นรสโทภทพะตระปูณมูคณนะอาวาสลาบยศสันเสริญสุขจีวรบินธบาทเนาสนะาชนะกีฬาณปัจจัยเภสัชบริหารหรือไม่ได้กีฬาณปัจจัยเภสัชบริหารหนอความสงสัยย่อมเกิด เราอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้รวมความว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยคําว่าทำแม้เหล่านี้เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีอธิบายว่าเมื่อความดีใจและความเสียใจมีอยู่คือเมื่อความสุขและความทุกข์สมนัสและโทมนัสอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ความยินดีและความยินร้ายมีอยู่คือปรากฏอยู่อันตนเข้าไปได้อยู่ทำเหล่านี้ก็มีได้รวมความว่าทำแม้เหล่านี้เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีคำว่าบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยานอธิบายว่ายานชื่อว่าทางแห่งยานอารมณ์แห่งยาน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 ทางแห่งญาณชั้นนั้นเหมือนกันว่าด้วยสิกขาสามคำว่าพึงศึกษาได้แก่สิกขาสามอย่างคือหนึ่งอธิศีลและสิกขา 2. อธิจิตตสิกขาสอธิปัญญาสิกขาอธิศีลและสิกขาเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมก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 นี้ทุกข์นิโรธคามิหนีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธคามิหนีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาศิกขาคําว่าบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยานอธิบายว่าบุคคลผู้มีความสงสัยคือเครือบแคลงลังเลมีความเข้าใจสองทิศสองทาง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 เมื่อกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อจเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าพึงศึกษาเมื่ อ, ท, จะจะ อ, อทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งก็ชื่อว่าพึงศึกษาเพื่อพึองประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติรวมความว่าบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณ ว่าด้วยทมที่พระสมณะทรงทราบคำว่าทรงทราบแล้วในคำว่าและทำเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ได้แก่รู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจายแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วต ร, ตรัสสอนตรัสไว้คือทรงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศไว้แล้วว่า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 ทำเหล่านี้ควรรู้ยิ่งทำเหล่านี้ควรกําหนดรู้ทำเหล่านี้ควรละทำเหล่านี้ควรเจริญทำเหล่านี้ควรทำให้แจ้งเหตุเปิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งผัสสะยตนะหกแห่งอุปทานขันห้าแห่งมหาภูตรูปสี่รู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจางแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วตรัสสอนตรัสไว คือทรงบอกทรงแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งแสดงธรรมมีเหตุผล มิใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุผลแสดงธรรมมีปาฏิหารมิใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหารพวกเธอควรทำตามโอวาททำตามคำสั่งสอนของเรานั้นผู้แสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งผู้แสดงธรรมมีเหตุผลมิใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุผลผู้แสดงธรรมมีปาฏิหารมิใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหารก็เป็นการเพียงพอเพื่อความยินดี เพื่อความปราโมทเพื่อสมณัตว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรูโดยชอบด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็แลเมื่อตรัสเวยากรณภาสิทธินี้ทั้งหมื่นโลกธาตุก็ได้สันไหวแล้วรวมความว่าและทำเหล่าใดพระสมณทรงทราบแล้วตรัสไว้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า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 พระพุทธเนรมิตทูลถามว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีขอพระองค์โปรตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ว่าด้วยต้นเหตุความดีใจและความเสียใจ คำว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนร ม, นมิทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งความดีใจและความเสียใจว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏขึ้นจากไหน มีอะไรเป็นต้นเหตุ term, มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุามาจากไหนคำว่าเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีอธิบายว่าเมื่ออะไรไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความดีใจและความเสียใจจึงไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่เกิด ไม่เกิดขึ้นไม่บังเกิดไม่บังเกิดขึ้นรวมความว่าเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีคาว่าเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดอธิบายว่าความมีแห่งความดีใจและความเสียใจเป็นอย่างไรคือความมีความเป็นความเกิดความเกิดขึ้นความบังเกิด ความบังเกิดขึ้นความปรากฏแห่งความดีใจ itas, และความเสียใจนี้ชื่อว่าความมีแห่งความดีใจและความเสียใจความไม่มีแห่งความดีใจและความเสียใจเป็นอย่างไรคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกไปความทาลายไปความเป็นของไม่เทียมความอันตรธานไปแห่งความดีใจและความเสียใจนี้ชื่อว่า ความไม่มีแห่งความดีใจและความเสียใจคําว่าเรื่องได้แก่เรื่องสําคัญยิ่งรวมความว่าเรื่องความไม่มีและความมีคําว่านี้ในคําว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ได้แก่ข้อที่ข้าพระองค์ทูลถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศคําว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดได้แก่สิ่งที่เป็นต้นเหตุสิ่งที่เป็นเหตุเกิดสิ่งที่เป็นกําเนิดสิ่งที่เป็นแดนเกิดรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิตรจึงทูลถามว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มี ความดีใจและความเสียใจเหล่าน hmm. <It was 13> <fight> right. hmm. ี้จึงไม่มีขอพระองค์โปรดตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์หนึ่งร้อยห้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่า มีต้นเหตุมาจากผัสสนี้แก่เธอคำว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะอธิบายว่าสุขเวทนาความรู้สึกสบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่ อันเกิดจากผัสส น, ใในใัในใ้นก็ดับไปคือสงบไปทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวอยู่อันเกิดจากผัสสนั้นก็ดับไปคือสงบไป อทุคขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกคมสุขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุคขมสุขเวทนานั้นนั่นแหละดับไปอทุกคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุคขมสุขเวทนาที่กาลังเสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับไปเพลสงบไป คำว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะอธิบายว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเขมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดรวมความว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะคำว่าเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านีา้จึงไม่มี <icias> อธิบายว่าเมื่อภาษาไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความดีใจและความเสียใจย่อมไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นไม่บังเกิดไม่บังเกิดขึ้นไม่ปรากฏรวมความว่าเมื่อภาษาไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีคำว่าเรื่องความไม่มีและความมีอธิบายว่าภวะทิฏฐิ ความเห็นว่ามีก็ดีวิภาวะทิฐิความเห็นว่าไม่มีก็ดีมีต้นเหตุมาจากผัสสะคำว่าเรื่องได้แก่เรื่องสำคัญยิ่งรวมความว่าเรื่องความไม่มีและความมีคำว่านี้ในคำว่าเราขอบอกนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสนี้แก่เธออธิบายว่าพ่อที่เธอทูลถามทูลขอ ทูนอันเชิญทูลให้ประกาศคำว่าเราขอบอกได้แก่เราขอบอ ก, ก, อบอกคือขอกล่าวแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจําแนกทํทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าเราขอบอกนี้แก่เธอคำว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสนี้ได้แก่มีต้นเหตุมาจากผัสสนี้นเพืาา่อมีผัสสเป็นเหตุเกิด มีผัสสะเป็นกําเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดรวมความว่าเราขอบอกนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธอด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่า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 มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าและความยึดถือมีมาจากไหนคำว่าเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีอธิบายว่าเมื่ออะไรไม่มีเพือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ ได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราบุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วรวมความว่าเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีคำว่าเมื่ออะไรไม่มีภาษะจึงไม่ถูกต้องอธิบายว่าเมื่ออะไรไม่มีคือไม่เป็น เก้าล่วงเก้าพ้นล่วงพ้นแล้วภัฏฐะจึงไม่ถูกต้องรวมความว่าเมื่ออะไรไม่มีภัฏฐะจึงไม่ถูกต้องด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรไม่จึงทูลถามว่าภัฏฐะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความยึดถือมีมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีภัฏฐะจึงไม่ถูกต้อง หนึพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะอาศัยนามและรูปพัสสาวะจึงเกิดความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีพัสสาวะจึงไม่ถูกต้องคําว่าเพราะอาศัยนามและรูปพัสสาวะจึงเกิดอธิบายว่าจะขูวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูป ประชุมแห่งธรรมสามประการคือหนึ่งตาสองรูปสามจักผูวิญญาณผัสสะจึงเกิดตาและรูปอยู่ในส่วนรูปสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเว้นจกักขูกสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้โซตาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงประชุมแห่งธรรมสามประการคือ 1. หนึ่งหูสองเสียง สามโสตะวิญญาณผัสสะจึงเกิดหูและเสียงอยู่ในส่วนรูปสามประยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเว้นโสตะสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้คานวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นประชุมแห่งธรรมสามประการคือหนึ่งจมูกสองกลิ่นสาคานวิญญาณผัสสะจึงเกิด เมูาและกลิ่นอยู่ในส่วนรูปสามประยุตรธรรมทั้งหลายเว้นคานสัมผัสอยู่ในส่วนนามภาษะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรสประชุมแห่งธรรมสามประการคือหนึ่งลิ้นสองรสสามชิวหาวิญญาณภาษาจึงเกิดลิ้นและรสอยู่ในส่วนรูป สามปัุตธรรมทั้งหลายเว้นชิวหาสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยน้ำและรูปเรื่อประการอย่างนี้กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐะประชุมแห่งธรรมสามประการคือหนึ่งกายสองโผฏฐะสามกายวิญญาณผัสสะจึง เ, เกิดกายและโผฏฐะอยู่ในส่วนรูปสามปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเว้นกายสัมผัสอยู่ในส่วนนาม ปัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งหลายประชุมแห่งธรรมสามประการคือหนึ่งหาทายวัตถุ 2. ธรรมรมณ์มมโนวิญญาณปัสสะจึงเกิดหาทายวัตถุและธรรมารมณ์ที่มีรูปทั้งหลายอยู่ในส่วนรูปสามปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเว้นมโนสัมผัสอยู่ในส่วนนาม ภาษาเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้ว่าด้วยความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาคาว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมมลคือโลภะคําว่าความยึดถือได้แก่ ความยึดถือสองอย่างคือ1นึงความยึดถือด้วยอำนาจตันหาสองความยึดถือด้วยอหนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาอธิบายว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาคือมีความปรารถนาเป็นต้นเหตุมีความปรารถนาเป็นปัจจัย มีความปรารถนาเป็นสาเหตุมีความปรารถนาเป็นแดนเกิดรวมความว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาคำว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีอธิบายว่าตัณหาตรสเรียกว่าความปรารถนาคือความกำหนดความกาหนดนกอภิชาอกุสลมูลคือโลภะ คำว่า er yeah. ความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหา 2. ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐินี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐิคำว่าเมื่อความปรารถนาไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีอธิบายว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ได้แก่ความปรารถนาบุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้ว รวมความว่าเมื่อความปราถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีว่าด้วยมหาภูตรูปสี่คว่ารูปในคําว่าเมื่อรูปไม่มีภาษะจึงไม่ถูกต้องได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่คว่าเมื่อรูปไม่มีได้แก่รูปไม่มีเพราะเหตุสี่อย่างคือ หนึ่งเพราะการรู้สองเพราะการพิจารณาสามเพราะการละสี่เพราะการก้าวพ้นรูปไม่มีเพราะการรู้เป็นอย่างไรคือพิกษุรู้รูปคือรู้จักมองเห็นว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดคือมหาพูต ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูต ร, รูปสี่รูปไม่มีเพราะการรู้เป็นอย่างนี้ รูปไม่มีเพราะการพิจารณาเป็นอย่างไรเือพิสุทำรูปที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้พิจารณารูปเือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกสอนเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นเสนียดเป็นอุปัตวะเป็นภัยเป็นอุปสรคเป็นของหวั่นไหวเป็นของผูกพัง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 เป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพญาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปรูปไม่มีเพราะการพิจารณาเป็นอย่างนี้ รูปไม่มีเพราะการละเป็นอย่างไรเคอภิกษุครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ย่อมละคือบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความกําหนัดเพราะความพอใจในรูปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงละความกําหนัดเพราะความพอใจในรูปเธอละรูปนั้นได้เด็ดขาดแล้วอย่างนี้ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รูปไม่มีเพราะการละเป็นอย่างนี้รูปไม่มีเพราะการเก้าพ้นเป็นอย่างไรคือผู้ได้อารูปปัจมาบสีคือไม่มีรูปคือไม่ปรากฏก้าวล่วงเก้าพ้นล่วงพ้นแล้วรูปไม่มีเพราะการเก้าพ้นเป็นอย่างนี้ รูปชื่อว่าไม่มีเพราะเหตุสีอย่างเหล่านี้คำว่าเมื่อรูปไม่มีภาษะจึงไม่ถูกต้องอธิบายว่าเมื่อรูปไม่มีคือไม่เป็นก้าวล่วงก้าพ้นล่วงพ้นภัษาห้าอย่างคือหนึ่งจักขุสัมผัสสองโสตสัมผัสสาคานะสัมผัสสชิวหาสัมผัสหกายสัมผัส ย่อมไม่ถูกต้องรวมความว่าเมื่อรูปไม่มีภัสสาวะจึงไม่ถูกต้องด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเพราะอาศัยนามและรูปภัสสาวะจึงเกิดความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีภัสสาวะจึงไม่ถูกต้อง